ครงนี้เราคงศึกษาเรื่องเรื่องกรรมเลยเรื่องกรรมนั้นก็คือเรื่องของกรรมบทแต่ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของไตรสรณะหรือว่าสรณคมของเราอยู่แต่ว่าในช่วงนีคง้คงเปลี่ยนหัวข้อใหม่โดยกล่าวเน้นไปที่เรื่องของกรรมเป็นหลักโดยเน้นเรื่องกรรมเป็นหลัก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 ก็คือมหาภูตรูปและอุปาทายรูปในภูตรูปและอุปาทายรูปนั้นน่ะมหาภูตรูปบางอย่างก็มีกรรมเป็นสมุฐานนะคือมหาภูตรูปนั้นมีทั้งสี่สมุฐานแต่ในขณะเดียวกันนั้นมหาภูตรูปมีกรรมเป็นสมุธานเนี่ยเด่นชัดที่สุดในกายของเราเพราะว่าการศึกษาพระธรรมคําสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมนั้นจะต้องหันมามองย้อนมาที่ชีวิต เรียกว่าเป็นธรรมะภายในในก็คือในตัวในตัวเรียกบาลีใช้คําว่าอัจฉรธรรมแต่ภาษาไทยเราใช้คําว่าตัวเราแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเลยเนี่ยจะมีคําของท่านที่มันชัดเจนก็คืออัจฉรธรรมคือธรรมะภายในภายในก็คือในตัวเรานั่นเองเพราะว่าคําไทยนั้นที่จริงไทยนั้นเป็นภาษาที่ที่ใช้คําพูดไม่มากนะตัวภาษาดั้งเดิมเป็นไทยแท้แท มีอยู่ไม่กี่คำเหมือนอย่างพวกเจตสิกทั้งหลายแหละนะ่ไงใจมีอยู่คำว่าคิดนึกรู้จำแจ้งรู้ไม่กี่คำหรอกเฉพาะไทยๆเนี่ยไทยโดดๆมีไม่กี่คำแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้อยคำเหล่านั้นเป็นภาษาบาลีดังั้นในเรื่องของกรรมนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณามากๆแล้วอ่ะจะเห็นว่าในชีวิตของเราเนี่ยในในร่างกายทั้งหมดเลยนะส่วนไหนที่เป็นผลของกรรมบ้าง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 มีกรรมมีจิตมีอุตตุเป็นปัจจัยเรียกว่ากรรมะปัจจยะอุตุุหรือว่าจิตตะปัจจะยอุตตุหรืออาหาระปัจจยะอุตุุหรือสุดท้ายก็อุตตุปัจจะยะอุตตุเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือเป็นอุตุกชรูปเท่านั้นเองแต่ว่าในส่วนเบื้องลึกของผมแล้วก็คือมีกรรมเป็นสมุทฐานคนก็มีกรรมเป็นสมุทฐานเล็บก็มีกรรมเป็นสมุทฐาน หนังผิวหนังนี้ก็มีกรรมเป็นสมุธฐานฟันก็มีกรรมเป็นสมุธฐานแม้กระทั่งเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายเหล่านี้ก็มีกรรมเป็นสมุธฐานที่ไม่เป็นกรรมเป็นสมุธฐานเลยก็คืออุจจระกับปัสสาวะนี่นี่ไม่ไม่ใช่กรรมสมุธฐานพวกนี้เป็น <c oughs> เป็นอุตุชรูปอย่างเดียวเป็นอุตุชรูปอย่างเดียวนะอุจระปัสสาวะอันส่วนที่น้ำตานี่มีจิตเป็นสมุธฐาน นันในเรื่องของร่างกายของเรานั้นถ้าศึกษาอาการ42เราเคยได้ยินอาการ32เนี่งไหม32คือเฉพาะธาตุธาตุดินกับธาตุน้ำส่วนธาตุลม6ธาตุไฟ4ไม่ค่อยกล่าวถึงที่จริงแล้วมี42คือในในตัวเราเนี่ยเรียกว่ามหาภูตรูป4ในมหาภูตรูป4นั้นมีความสำคัญกับกับชีวิตหรือกับการปฏิบัติธรรมสูงมาก พระสูตรส่วนใหญ่ทั่วไปถ้าพูดถึงรูปประคันปั๊บจะขยายเรื่องของมหาภูตรูปสี่และมหาภูตรูปสี่เน้นที่ภายในทีนี้ในมหาภูตรูปสี่เหล่านี้ก็มีกรรมเป็นสมุฐานอ่าในช่วงนี้เรามาศึกษาเรื่องกรรมทําให้เรามองเห็นชีวิตของเรามากขึ้นโดยชั้นต้นพอกล่าวถึงพระสูตรที่กล่าวว่าแม้แต่รูปร่างกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยกรรมเนี่ยแต่คิดดูว่า กรรกว่าจะมาแต่งเป็นมหาบุริศลักษณะสาสิบสองประการมีอนุพยัญชนะอีกแปดสิบประการที่มาแต่งเป็นรูปร่างกายของพระผู้มีพระภาคเนี่ยที่เป็นรู ป, ปรขันอันนั้นเนี่ยมาจากบุญกุศลทั้งมากมายมหาศาลแล้วที่เป็นเวทนาขันเวทนาขันที่เป็นวิบากอันนั้นก็ถูกกรรมเป็นปัจจัยมาอีกมากแม้แต่วิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณของพระผู้มีพระภาคก็มาจากกุศ ล, ลกรรมเป็น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 เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมหรือว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นกรรมไม่ดำไม่เขาให้ผลไม่ดำไม่เขาเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นไปเพื่อตัดกุศลและอ ก, กุศ ล, ลกรรมอันชีวิตของเราท่านทั้งหลายส่วนหนึ่งอยู่ด้วยผลของกรรมจริงๆถ้าหากว่าเรามีความชัดเจนในเรื่องกรรมมากเท่าไหร่เราจะเข้าใจในเรื่องอริยสัจมากเท่านั้น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 ได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตาวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีในพระนครสาบัตีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียบพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังนี้คือพระผู้มีพระภาคนั้นก่อนที่จะแสดงคํา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 คือชาวเมืองสาวัตถีก็นั่งประชุมสนทนากันในประตูบ้านที่ที่นั่งเป็นต้นนะนะก็คือเหมือนกับถ้าคนสมัยก่อนว่างๆก็มานั่งที่โคนไม้ที่นั่งแล้วก็สนทนากันว่าพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะแปดสิบมีพระรัศมีออกจากพระวรากายวานหนึ่งมหาปริษลักษณะสามิสองประการ เมื่อเปล่งพระรสมีมีสีหกประการใช้แสงจากข้างนี้จากข้างนี้ย่อมงามเลือเกินประดุดดอกไม้สวรร์แย้มบางทั้งหมดคือพระผู้มีพระภาคนั้นที่กรรมเนี่ยแต่งให้มีความงดงามวิจิตรมากและในขณะเดียวกันอาศัยที่พระองค์นั้นพิจารณาปตฐานแล้วก็มีพระรสมีออกจากนั้นเนี่ยรสมี น, นี้ออกตลอดเลย พันรศมีที่ออกมาจากพระวรกายเนี่ยงดงามมากเหมือนกับสวนดอกบัวที่แยม้มกลิบดุจเสารเนียดวิจิตด้วยแก้วต่างๆประดุจท้องฟ้าซึ่งสะพรั่งไปด้วยดาวและพยับแดดมิได้บอกว่าก็ลักษณะนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นด้วยกรรมนี้เออพระองค์ยังไม่ได้ตรัสเลยนะว่าอร่างกายของพระองค์นั้นน่ะมาจากกรรมอะไร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะพระองค์ให้ทานแม้เพียงข้าวยาคูกระบวย1หนึ่งหรือว่าเพียงข้าวทัพพีหนึ่งเป็นปัจจัยลักษณะเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าคืออยากจะรู้เอพระองค์นี่ทำกรรมอะไรมานะรูปร่างกายของพระองค์เนี่ยจึงวิจิตลักษณะนี้ทีนี้พระนนเทระท่านก็จาริกไปในหมู่บ้านก็คือไปบิณทบาทเป็นต้นนั่นแหละ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 ทรงแสดงลักษณะโดยลําดับว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการเรียกว่ามหาปุริสลักษณะก็คือความปรากฏแห่งความเป็นมหาบุรุษหรือว่านิมิตแห่งมหาบุรุษหรือเหตุที่ทําให้รู้ว่าเออผู้นี้เป็นมหาบุรุษนะเพราะมีองค์ประกอบมีลักษณะมีนิมิตมีเครื่องหมายมียี่ห้อแบบเนี้ยเขาเลยเรียกผู้นี้ว่าเป็น มหาบุรุษลักษณะมีอยู่ทั้งหมด32ประการที่ทำให้เห็นว่าเออผู้นี้เป็นมหาบุรุษผู้ที่ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการเหล่านี้ย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคติแปล ว, ว่าที่ไปหรือที่ดําเนินของชีวิตคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นพระธรรมราชามีมหาสมุทรสีเป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีอาณาจักรมั่นคงประกอบด้วยรัตนะเจประการจะมีรัตนะอีกเจ็อย่างคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้ ว, กวมณีนางแก้วขึ้ราบดีแก้วปรินายกแก้วเป็นที่เจดพระราชบุตรของพระองค์นี้มีกว่าหนึ่งพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตรย์ สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์นี้ทรงชนะโดยธรรมโดยเสมอมิต้องใช้อาจายามิต้องใช้สาตราครอบครองแผ่นดินมีสาคอเป็นขอบเขตบ้านเมืองของพระเจ้าจักรพรรดินะมีทะเลเป็นเครื่องกั้นอะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้มีเสาเขื่อนไม่มีนิมิตไม่มีเส้นน้มโอ้ข้าศึกศัตรูไม่มีแม้แต่คนเดียวว่างั้น มั่งคั่งแพร่หลายมีความเกษมสำราญไม่มีเสนียดก็คือพวกโจรกฎไม้อาจยาไม่มีทักอย่างผู้ที่มีมหาปริษลลักษณะทั้งสาสบสองประการนะถ้าครองเรือนจะเป็นลักษณะนี้เป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินทั้งหมดแต่ถ้าเสด็จออกบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันต์ตะสัมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกมีหลังคาคือกิเลสเปิดแล้วในโลกโลกไหน สัตว์วัโลกกับขันธโลกในบรรดาขันธโลกเนี่ยพระองค์เนี่ยเปิดแล้วใช่ไหมขันธโลกกิเลสเป็นขันธอะไรกิเลสเป็นขันธอะไรเป็นสังขาราขันธกิเลสเป็นสังขาราขันธเป็นธรรมายตนะกิเลสเป็นบางอย่างเป็นสมุทัยสัตว์บางอย่างเป็นทุกขสัตราะฉนั้นกิเลสนั้นอนะ่ะพระองค์เนี่ยเปิดแล้วจากโลกคือขันธโลกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะเป็นขันธที่ผ่านการรอบรู้มาอย่าง ละเอียดละอี๋ทีถ่วนสมบูรณ์แบบันผู้ที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอ่ะเปิด <mouvement. S 2> กิเลสหลังคาคือกิเลสเนี่ยออกจากขันธโลกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ <hein. S 2> มองเห็นแต่จิตเห็นของพระองค์หรือแม้กระทั่งชาวนาจิตของพระองค์ไม่เจอด้วยกิเลสพระองค์ได้ยินเสียงแต่จิตที่ได้ยินเสียงของพระองค์นั้นอ่ะไม่เจอด้วยกิเลสจิตที่คิดนึกเรื่องเสียงต่างๆหรือจิตที่นึกคิดต่างๆของพระผู้มีพระภาค ไม่เจอด้วยความเศร้าหมองแม้แต่นิดเดียวไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีอคติอย่างใดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยอันพระองค์เนี่ยเปิดบ่า allow, เปิดอกุศลเหล่านั้นแล้วดูการพิสูจนทั้งหลายมหาบุริศลักษณะสาสสองประการนั้นเป็นไงนะซึ่งพระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่า น, านั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจา้าจักรพรรดิ อันหนึ่งถ้ามหาบุรุษนั้นเสด็จออกพนวดจะได้เป็นทราอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในลกูกจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราเคยกล่าวถึงมหาปริสลักษณะสามสิบสองประการวันที่เราเรียนเรื่องสาระคมประเภท<ป>นอบน้อมใช่ไหมพรามชื่อว่า<ป>พรห ม, มายุพรามนะพรห ม, มายุพรามปเป็นพรามที่นอบนอบ้นอมพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยิ่งซึ่งตรงนี้ก็จะอ่านทบทวน แต่ว่าในก่อนนั้นเนี่ยกล่าวถึงแต่มหาบุริศลักษณะนิมิตของบุคคลผู้นี้ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตรงนี้จะกล่าวถึงมหาบุริศลักษณะสัก่อนเสร็จแล้วจะกล่าวถึงกรรมกรรมอะไรที่ทําให้ได้มหาุริศลักษณะเหล่านั้นพูดถึงความสําเร็จแล้วก็พูดถึงเหตุ ด, ด้วยใช่ไหมดูความพิสูจทั้งหลายมหาบุรุษในโลกนี้หนึ่งมีพระบาทประดิษฐสถานเป็นอันดี การที่พระมหาบุรุษมีพระบาทปฏิสฐานเป็นอันดีนี้เป็นมหาบุริสลักษณะของมหาบุรุษ 2. พื้นภายใต้ฝ่าพระบาทของพระมหาบุรุษมีจักเกิดขึ้นมีสี่กรัมข้างละพันมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงแม้การที่พื้นภายใต้ฝ่าพระบาทของพระมหาบุรุษมีจักเกิดขึ้นมีซี่กรัมข้างละพัน มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงนี้ก็เป็นมหาพุทธลักษณะของพระมหาบุรุษส ม, มีส้นพระบาทยาวสมีพระองคุรียาวหามีฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทอ่อนนุม่มหมีฝ่าพระหัตฝ่าพระบาทมีลายประหนึ่งตาข่ก็คือเป็นคล้ายๆตารางหมาฮอตอ่นะในฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยเจมีข้อพระบาทลออยู่เบื้องบน 8. มีพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อทราย 9. เสด็จยืนไม่ได้น้อมพระวรกายลงเอาฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองลูบคลำได้ถึงพระชานุทั้งสองยืนตรงๆนีมือลูบเขาได้สิบมีพระคุยหะเรนอยู่ในฝักเหมือนช้างอ่ะสอมีพระชวิวันดุดทองคำคือมีพระตาจะตาจะก็คือหนังประดุดหุ่มด้วยทอง ก็บอกใครอยากเห็นผิวพันธุ์ของพระพุทธเจ้าให้ไปดูทองชมพูนุษที่บริสุทธิ์ผิวของพระ อ, องค์เป็นอย่างนั้นแหละสิบสองมีพระชวีละเอียดเพราะพระชวีละเอียดคือผิวละเอียดในทุลีละองจึงไม่ได้ติดอยู่ในพระวรากายเดินทั้งวันฝุ่นก็ไม่ติดแต่พระ อ, องค์ก็ส่งน้ําเหมือนกันเพื่อเอาอุตุเพื่อเป็นธรรมเนียมของชาวโลกสิบสามมีพระโลมาขมและเส้นขมและเส้นเสมอไปทุกขุมข้น สิบสี่มีพระโลมามีปลายช้อยขึ้นข้างบนมีสีเขียวเหมือนสีดอกอัญชันขดเป็นกุนทนทักษิณาวัตรขนเนี่สิบห้ามีพระวรากายตรงเหมือนกายพรมตรงผังเลยสิบหกมีพระมังสะเต็มในที่เจ็ดสถานคือที่หลังพระหัตถ์ทั้งสองหลังพระบาททั้งสองจะงอยพระอังศาทั้งสองและพระศอคือเต็มหมดเลยไม่มีแบบมองเห็นกระดูกนี่อะไรไม่มีสักอย่างสิบเจ็ดมีกึ่งพระกายท่อนบน เหมือนกึ่งพระกายท่อนหน้าของสีหะดูเหมือนราชสีวอานั้นเถอะสิบแปดมีระหว่างพระอังสาเต็มบาเนี่ยเต็มมีปริมนทนดุจไม้นิโครดวาของพระองค์เท่ากับพระวรากายของพระองค์พระวรากายของพระองค์เท่ากับวาของพระองค์มีวากากายยาวเท่ากันยี่สิบมีลำพระศอกลมเท่ากันคอเนี่ยกลมเสมอกันยี่สิบเอ็ดมีปลายเส้นประสาทสำหรับนํารถอาหาร ดียี่สิบสองมีคางเหมือนคางราชสียี่สิบสามมีพระทนสี่สิบี่พระธันตะฟันสี่สิบซี่ยี่สิบสี่มีพระทนเรียบเสมอกันยี่สิบห้ามีพระทนไม่หา่างนี่แปลงปันตบายเลยนะยี่สิบหกมีพระทาตะขาวงามเขี้ยวงามยี่สิบเจ็ดมีพระชิวหาใหญ่แผ่นิ้นของพระองค์นี่ใหญ่มากปิดหน้าได้ยี่สิบแปด มีพระสุรเสียงดุดเสียงแห่งพรหมแต่มีสำเนียงดังนกกระเวกเสียงนี้คนฟังปั๊บเดโหยังว่าถูกสะกดอย่างงแค่น้ำเสียงนี้ก็พิเศษแล้วนะยี่สิบเก้ามีพระเนตรดำสนิทสามสิบมีดวงพระเนตรดุดตาโคสามสิบเอ็ดมีพระอุณาโลมบังเกิดหน้าระหว่างพระขนงมีสีขาวอ่อนควรเปรียบด้วยปุยนุ่นนะระหว่างหน้าผากเนี่ยจะมีขนสีขาวขึ้น สามิสองมีพระเศียรดุดประดับด้วยกรอบพระพักเหมือนคนใส่กรอบหน้าคนหน้าไม่ค่อยเต็มนั่เอากรอบหน้ามาใส่จะดูงามพอสมควรอย่างนั้นแหละดูความพิสูุน์ทั้งหลายมหาบุริศลักษณะสามสิบสองประการนี้แลที่พระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมเป็นเหตุให้มีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอันหนึ่งถ้าพระมหาบุรุษ เสด็จออกพนวดจะเป็นพระอาหารหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีแม้เป็นภายนอกย่อมทรงจำมหาปริศลักษณะของพระมหาบุรุษสามสิบสองเหล่านี้ได้นะคือในในเวทมนต์หรือว่าในตำราดูดูคนของฤาษีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขามีสอนกัน ถ้าผู้พี่ประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้ทางจีนค้อเรื่องอะไรนะตำราดูโ oh, ง่เหงลักษณะของคนเนี่ยแค่ดูลักษณะนี้ก็พอรู้ได้นะว่าใครเป็นใครแต่พวกฤาษีเหล่านั้นเนี่ยรู้เฉพาะลักษณะตามตำราเหล่านั้นแต่ฤาษีเหล่านั้นย่อมไม่ทราบว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมที่ตนทําสั่งสมพอกพภูนภบูบุ์ไว้ สัต์ที่บำเพ็ญกุศลกรรมเหล่านั้นย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถานสิบคืออายุทิพย์ผิวพันทิพย์คือวันทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์แล้วก็ความเป็นอธิบดีทิพย์ฤทธิ์ทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และโพธพภะทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาุริศลษณะนี้ คือฤาษีทั่วไปนี้เขารู้เฉพาะลักษณะเหล่านี้คขารู้แต่งโงแห้ง น, นะแต่ไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่ทําให้ได้ลักษณะเหล่านี้เหล่านี้เขาไม่รู้ดูความพิสูจนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนคือในอดีตชาติอนะในกําเนิดก่อนนั้นเป็นผู้ยึดมั่นในกุศลธรรมกุศลธรรมในที่นี้ก็คือตั้งมั่นในกุศลกรรมบทสิบประการ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 ที่พระองค์ได้มหาปุริสลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลธรรมมาก่อนในชาติก่อนเนี่ยยึดมั่นในกุศลธรรมเขาบอกว่าในกุศลธรรมทั้งหลายหมายถึงกุศลกรรมมาบทสิคําว่ายึดมั่นไม่ถอยหลังได้แก่ยึดแน่นเป็นนิดคือยึดมั่นไม่ถอยหลังยึดอะไรยึดกุศลไม่ถอยหลังมีแต่จะทำให้มันยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็ ไ, ได้ยินนะว่าธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งไม่สันโดษในกุศลสองไม่ทิ้งความเพียรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะขอยกตัวอย่างว่าพระองค์นั้นยึดมั่นในกุศลอย่างไรจริงอยู่จิตของพระมหาสัตย่อม้วนกลับจากอกุศลกรรมดุดปีกไก่ต้องไฟฉะนั้นเคยเอาขนไก่จุดไฟไหมยิ่งจุดมากมันยิ่งหดหดหดหดไปเรื่อยจิตของพระมหาบุรุษบรรลุกุศล ย่อมเหยียดดุดเพดานพอถูกกุศลปุ๊บเนี่ยโหแผ่เลยนะกุศ ล, ลจิตของท่านแผ่พอไปเจออากุศลปั๊บหมดทันทีเลยแสดงว่ากล้าทาบุญกลัวบาปเพราะฉะนั้นถ้าตถาคตเป็นผู้ยึดมั่นเป็นผู้ไม่ถอยหลังอันใครๆจะเป็นสมณะพรามเทวดามารหรือพรหมก็ไม่สามารถจะให้พระองค์สละความยึดมั่นในกุศลได้พระองค์เนี่ยดิ่งในกุศลมากเลยนะห้ามไม่เชื่อนะบอกยา ห้ามไม่ให้ทำชั่วเนี่ยได้แต่ห้ามไม่ให้ทำกุศลเนี่ยไม่ไม่มีทางเขาบอกว่าในเรื่องของความเพียรพยายามของพระมหาบุรุษนี้ก็ยกตัวอย่างว่าครั้งก่อนพระมหาบุรุษอุบัติในกำเนิดกระแตคราวนั้นเมื่อฝนตกห่วงน้ําไหลพัดเอารังของกระแตเข้าไปในมหาสมุทรมหาบุรุษก็เลยคิดว่าเราจะนำลูกน้อยออกให้ได้นะลูกเนี่ยตกไปในทะเลคิดถึงลูก จะเอาลูกมาให้ได้มหาบุรุษก็คิดอย่างนี้แล้วว่าเราเนี่ยจักนําลูกน้อยจึงจมหางแล้วก็สลัดน้ําจากมหาสมุทรไปข้างนอกวิ่งไปจืดเอาหางไปแหย่น้ำํำยังไงก็วิ่งมาสลัดจะทําอย่างเนี้ยตลอดจะวิดน้ำมันนะเอาเครื่องสูบติดเทอร์โบไปสนะักยี่สิบสามสิบเครื่องก็สูบทะเลไม่แห้งอ่ะเนาะในวันที่เจ็ดเท้าสา ก, กะก็เลยรำพึงแล้วก็เสด็จมานะที่นั้นถามว่าท่านทําอะไร มหาบุรุษก็บอกเรื่องราวนั้นแก่เทา้าสกะนั้นจะวิทย์น้ำเอาลูกทา้าสกะก็บอกความที่น้ำนั้นน่ะนําออกจากมหาสมุทรได้ยากวิทย์ไม่ได้หรอกวิทย์ไม่แห้งหรอกพระโพธิสัตว์กรุ๊กรานว่าไม่ควรพูดกับคนเกียจคร้านเช่นนั้นท่านอย่ายืนตรงนี้เลยก็บอกเราไม่มีเวลาคุยกับคนขี่เกียจเหมือนท่านหรอกเหาือนกันทา้าสกะก็คิดว่าเราไม่สามารถจะให้ผู้มีใจประเสริฐเลิกละ สิ่งที่ตนถือมั่นได้เหมือนคนที่ดิ่งเลยนะถ้าท่านเชื่อว่าจะทำอย่างนี้เนี่ยอย่าคิดจะไปห้ามท่านเลยบอกย่าหยุดไม่มีทางแล้วก็เท้าสา ก, าก็สงสารนะก็เลยไปเอาลูกน้อยมาให้และอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างเช่นในเรื่องเพในหลวงนิพนขึ้นมาตอนหลังนี่นึกออกไหมในหลวงนิพนเรื่องมหาชนกแสดงว่าเรื่องดังมากเลย ในคมภี์ท่านก็คัดเอามาตอนหนึ่งอ่าในการที่พระโพธิสัตว์นี้ถือกําเนิดเป็นมหาชนกพระโพธิสัตว์ก็ไหว้ข้ามมหาสมุตกําลังว่ายอยู่นั่นแหละเจ็ดวันล้วถ้าคนธรรมดาโอ้ไม่รู้จะไหายทาไมก็ปล่อยก็บอกคนที่ไม่ว่ายนะปลาและเต่ากินเรียบไปหมดแล้วเหลือคนเดียวที่พ้นยังไม่ตายอยู่ได้ถึงวันที่เจ็ดเพราะไหว้อ่าผู้าศาสนาเนี่ยเราสังเกตดูนะทําไมพระโพธิสัตว์ไม่คิดโอ้แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรม ท่านไม่คิดอย่างนั้นนะแต่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรความพยายามทีนี้เทวดาก็เลยมาถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงว่ายข้ามมหาสมุทรมองฝั่งก็มองไม่เห็นลิบลับอยู่เลยมองทางไหนก็ถึงน้ําหมดนะนะไม่รู้ว่าว่ายไปหาฝั่งหรือว่ายออกนอกฝั่งก็ไม่รู้เนาะมันพอกันหมดอ่ะไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรสักอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าเขาเดินลงไปในสมุทรนะเขา เขาจะเอาเอานกเอากาไปด้วยเสร็จแล้วพอดูวักใต้จะถึงฝั่งหรือเปล่าหรื อ, อยังเขาก็จะปล่อยนกให้บินขึ้นนกก็จะบินขึ้นสูงเสร็จแล้วก็จะบินดูฝั่งว่าจะอยู่ฝั่งไหนถ้ามีฝั่งป๊บนกมันจะบินไปหาฝั่งเลยเรือก็จะไต้ตรงไปทางนั้นแต่ถ้าหาว่าบินขึ้นสูงแล้วดูไม่เห็นฝั่งเลยนกก็จะกลับมาที่เรือเหมือนเดิมนั่นแหละเรียกว่านกสมัยก่อนเ น, นกหาฝั่งพอเทวดาถามอย่างไงเข้า พระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าเราไหว้ข้ามเพื่อไปถึงฝั่งแล้วจะครองราชสมบัติในแคว้นอันเป็นของตระกูลนะก็คือจะกลับไปครองบ้านครองเมืองจะไปเป็นพระราชาแล้วบริจาคทานมีทรัพย์แล้วจะให้ทานเหมนันเมื่อเทวดากล่าวว่ามาหาสมุทรนี้ลึกและกว้างขวางมากเมื่อไหร่จะข้ามถึงได้พระ อ, องค์ก็ตรัสว่ามาหาสมุทรนี้ก็เช่นเดียวกับมาหาสมุทรของท่านนั่นแหละ มันก็เป็นธรรมดาของทะเล ม, มก็เป็นอย่างนี้แหละแต่อาศัยความตั้งใจของเราปรากฏเหมือนเหมืองน้อยก็เหมือนกับบอ่อน้ำเล็กๆอะ่ะเหมือนก็คือเหมือนกับพวกเขื่อนเล็กๆซึ่งมันแค่นี้เองทําไมจะไหวไม่ถึงแต่ถ้าของสายตาคนทั่วไปโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นนะะไกลมากแต่ของท่านบอกมันก็ธรรมดานั่นแหละท่านนั่นแหละจัดเห็นเราผู้ไหว้ข้ามมาหาสมุทรแล้วนำทรัพย์ จากฝั่งมหาสมุทรมาครองราชสมบัติในแคว้นอันเป็นของตระกูลแล้วบริจาคทานท่านคอยดูนะคระบเจ้าจะไหวให้ถึงฝั่งให้ท่านดูงหมนกนีเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนี่แหละเทวดาก็เลยคิดว่าเราไม่อาจจะให้บุรุษผู้มีใจประเสริฐเลิกละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้โอ้ท่านช่วยช่วยข้าพเจ้าหน่อยดิไม่ขอไ ม, ไม่ไม่บอกโอ้ท่านเหาะได้นะอุ้มข้าพเจ้าไปส่งที่ฝั่งทิงดีใจล้าเกินเงียไม่ เขาบอกว่าเรี่ยวแรงของบุรุษความบากบั่นของบุรุษความพยายามของบุรุษสิ่งใดที่บุรุษทําได้เขาจะทําสิ่งนั้นมาเงินก็ไม่อาจห้ามได้ก็เลยอุ้มพระโพธิสัตว์แล้วก็ให้บรรทมณนะอุทยานพระโพธิสัตว์นั้นยังมหาชนให้ยกขึ้นซึ่งสเวตฉัตรแล้วทรงทําการบริจาคทานวันละสิบแสนต่อมาก็เสิ็จออกบวชก็คือพระมหาชนกตอนหลังท่านก็ออกบวชอันพระโพธิสัตว์อันใครๆจะเป็นสมณนะพราหมณ์เทวดา มารหรือพรหมก็ไม่อาจให้เลิกละกุศลสมาทานได้มีจิตใจเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยในเรื่องของกุศลกขาบอกว่าแผ่ขยายเลยถ้าเรื่องของกุศลนะแต่ถ้าเรื่องอกุศลนี่หดหดหดหดเขบอกว่าถ้าทําดีเนี่ยโหเป็นหัวหน้าเลยนะถ้าไปทําชั่วเนี่ยไปอยู่หลังเข้าสุดหมดเลยอ่ะบาปนี้เขาบอกไม่ต้องกล้าหรอกถ้าดีเนี่ยก็กล้าหน่อยดีเพราะฉะนั้นท่านนั้นเป็นผู้ที่ไม่ถอยหลังในกายะสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริต อย่างสุจริตธรรมที่ท่านรักษาอย่างศีลท่านรักษาเนี่ยท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะในการรักษาศีลของท่านหรือให้ทานให้ทานนี่คนอะไรจะให้ได้กล้าให้ได้หมดเลยนะคนทำไมนี่ยังมากก็กล้าให้เลือดใช่ไหมแต่ให้เลือดนี่ก็แก่งแล้วนะเอามายังไม่เคยให้เลยแสดงว่าของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านให้หมดมหาบริจาคห้าเขาเรียกบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะ บริจา克拉ดสะสมบัติบริจาคลูกบริจาคเมียและบริจาคชีวิตให้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้อะก็บอกมอกความมาเนะเพราะฉะนั้นท่านนี้บำเพ็ญในทานแล้วก็ในการสมาทานศีลถ้าอยู่ในเพศศีลห้าก็รักษาศีลห้าสมควรที่รักษาศีลแปดก็ศีลแปดศีลสิบหรือถ้าบวชเป็นพระภิกษุก็จะตั้งมั่นอยู่ในจตุ ป, ปาริสุทธิศีลความบริสุทธิ์ของศีลทั้งสี่ประการ และก็ในการรักษาอุโบสถในการปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาอนนันในการประพฤติดีปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาก็เหมือนในสุวรรณสามชาดกอยะว่าในชาดกเลยแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างท่านก็เลี้ยงมารดาบิดาเป็นนกเป็นแรงท่านก็เลี้ยงมารดาบิดาเพราะฉะนั้นวัดในการปฏิบัติดีในมารดาบิดาท่านก็ประพฤติมาหรือว่าในสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรม และก็เป็นผู้ที่เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและก็เคารพในธรรมะและเคารพในกุศลอันยิ่งอื่นๆมีแต่เรียกว่าฝักใฝ่ในกุศลมากตถาคตนั้นย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมสังสมก็คือทํากุศลแบ บ, นบเนี้บ่อยเนือง พ, อพ่อปูนภัยบุญภัยบุญเนี่ยกว้างขวางมากมาย ตถาคตย่อมครอบงําเทวดาทั้งหลายในโลกสวรรค์โดยสถานสิบคือถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็เหนือกว่าเทวดาทั่วไปคือสิบอย่างก็คืออายุทิพวรรณะทิพสุขทิพยศทิพความเป็นอธิบดีทิปรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิปรสทิพและโพธะพระทิพชั้นต้นก็คืออายุวรรณะความสุขและยศอธิบดีเสร็จก็รูปเสียงกลิ่นรสโพธะพระสิบอย่างพอดี ครั้นจุติจากโลกสวรรค์แล้วมาถึงความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลักษณะนี้คือกุศลธรรมทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยทําให้พระมหาบุรุษนั้นมีพระบาทตั้งอยู่เป็นอันดีคือข้อหนึ่งอ่มีพระบาทประดิษฐานอยู่เป็นอันดีเลยการที่พระมหาบุรุษมีพระบาทประดิษฐานอยู่เป็นอันดีก็คือทรงเหยียบพระบาทเสมอกันกับพื้น ฝ่าเท้าเนี่ยจะเหยียบเสมอกันกับพื้นเลยนะราบสนิทเป็นแผ่นเดียวเลยทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกันวางลงก็พอดีเป๊ะทรงจดพื้นด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอการของคนก็เอาปลายลงเอาส้นลงเอารอยลงแต่พระ อ, องค์เนี่ยวางเสมอกันเป๊ะเลยพอดีพระมหาบุรุษทรงถึงพร้อมด้วยลักษณะนั้นคือคนที่มีฝ่าเท้าเรียบเสมอแบบเนี้ยหากอยู่ครองเรือนจะเป็นพระราชาจักรพรรดิ เป็นผู้ทรงรรมราชามีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีพระอาณาจักรมั่นคงถึงพร้อมด้วยรัตนเจ็ดประการคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วครหาดีแก้ ว, ก ว, ก ว, ก ว, กวปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดและมีพระโอรสมากกว่าพันล้วนเป็นผู้แก้วกล้ารูปสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ และพระมหาบุรุษนั้นทรงชนะโดยธรรมสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้อาจยาคือไม่ต้องใช้กฎหมายไม่ต้องใช้ศาสตราทรงครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตมิได้มีเสาเขื่อนมิได้มีนิมิตไม่มีเส้นน้ำมั่งคั่งแพร่หลายมีความเกษมสำราญไม่มีหมู่โจรถามว่าเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลอย่างไรคือกุศลธรรมที่ว่าไป ทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยทําให้ได้ลักษณะคือมหาปริษลักษณะถ้าเป็นพระราชาแล้วจะมีผลหรือจะได้อ น, นิสงอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกบอกว่าเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ที่เป็นข้าศึกศัตรูจะข่มได้ไม่มีข้าศึกไปขม่มพระเจ้าจกักรพรรดิคือกบอกว่าไม่มีใครกล้ามาต่อรองว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นข่มแหงไม่มีทักษม์อันหนึง่งถ้าพระมหาบุรุษ ออกผนวชจะเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกถามว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรจะได้รับผลอย่างไรบ้างถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือไม่มีเหล่าข่าศึกศัตรูภายในผลที่มีฝ่าเ้าเสมอแบบนี้เนะี่ยเป็นนิมิตว่าจะไม่มีข่าศึกศัตรูภายในข่าศึกศัตรูภายในก็คือ ราคะโทสะหรือโมหะไม่มีค่าศึกภายนอกเลยภายนอกก็คือสมณะณพราหมณ์เทวดามารพรมใครๆในโลกนี้จะข่มพระองค์ได้คือสัพว์ทั่วไปนี้ไม่มีใครข่มพระองค์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็มาจาก น, นุ่นแหละยึดมั่นในกุศลธรรมเพราะว่าไล่ไล่ชีวิตมาตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเลยของเราแสดงว่าฝ่าเท้าไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเสมอก็ ทำไม่บริบูรณ์ขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีบุญเหมือนกันนะเทา้าไม่กุดกระแสว่าใช้ได้แล้วเนาะพระมหาบรุษยินดีแล้วในสัจจะท่านก็ประพันธ์เป็นคาถายินดีในสัจจะก็คือวจีสัจจะในธรรมะท่านตั้งมั่นในกุศลกรรมบทในการฝึกตนพระมหาบรุษนั้นเป็นผู้ที่ฝึกอินทรีย์ฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับบาปอกุศล ในความสำรวมคือตั้งมั่นอยู่ในศีลและในความสะอาดกายของท่านเป็นกายที่สะอาดวาจาของท่านเป็นวาจาที่สะอาดจิตของท่านสะอาดสะอาดก็คือไม่ล่วงอกุศลกรรมบททั้งสิบประการนั่นเองแล้วก็อยู่ในศีลอยู่ในอุโบสถกรรมในความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทรงยึดถือมั่นคงประพฤติอย่างรอบคอบเพราะกรรมนั้นพระมหาบุรุษ จึงหลีกไปสู่ไตรทิพสวยสุขก็คือกรรม น, นั้นก็ทำให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์และสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดีจุติจากไตรทิพแล้วเวียนมาในโลกนี้เหยียบแผ่นปัตภพีด้วยพระบาทอันเรียบผลของกรรมมันนั้นก็เหยียบพื้นอย่างเสมอกันเพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์ผู้ทานายพระลักษณะมาประชุมกันแล้วทานายว่า ราชกุมารนี้มีฝ่าพระบาท ต, ตั้งประฎิสฐานเรียบเป็นเครือขัดหรือบันประชิตก็ไม่มีใครจะขมได้แม้แต่ตำรา ย, ยังบอกเลยนะคนที่มีฝ่าท้าแบบนี้ไม่มีใครมาข่มขีขม่ข ม, ขมเหงได้พระลักษณะนั้นย่อมเป็นนิมิตสองความนั้นคือมีนิมิตเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกใช่ไหมคล้ายๆกันถ้าสมัยนี้ก็ถ้ายี่ห้อนี้ดีแน่นอนเลยนะคือยี่ห้อเป็นเครื่องเครื่องบอกชั้นใดก็ดีลักษณะของคนเนี่ยทําให้บ่งบอกว่าเออ คนนี้เขามีลักษณะแบบนี้เขาจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะพระราชกุมานี้เมื่ออยู่ครองเรือนไม่มีใครข่มได้มีแต่ครอบงำพวกประปักเหล่าศัตรูมิอาจย่ายีได้ใครๆที่เป็นมนุษย์ในโลกนี้หาข่มได้ไหมเพราะผลแห่งกุศลกรรมนั้นผลมีบุญก็ไม่มีใครกล้าข่ขมรับหากพระราชกุมานี้ทรงออกพนวดทรงยินดีในเนคคัมมะ จะมีพระปรีชาเห็นแจ้งคือมีพระปัญญาเนี่ยนะเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งอริยศั์เป็นอัครบุคคลไม่ถึงความเป็นผู้อันใครใครข่มได้ย่อมเป็นผู้สูงสุดกว่านรชนอันนี้เป็นธรรมดาของพระกุมารนั้นก็คือตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าพระผู้มีพระภาคนั้นพระบาทของพระองค์นั้นอะสม่ำเสมอกันเป็นอย่างดี พระฉะนั้นในอันธกถ า, าท่านจึงอธิบายว่าคําว่ากรรมนั้นอันตนสังสมก็คือกรรมที่ทําแม้คราวเดียวก็เป็นอันกระทําเหมือนกันแต่เพราะพระองค์กระทําเนืองเนืองเป็นกรรมอันตนสังสมอันสังสมก็คือทําบ่อยมากอะเพราะกรรมที่พอกพูนคือกรรมที่ตนทําเป็นกองท่านกล่าวว่าพอกพูนพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงกล่าวบทว่าเพราะกรรมอันพอกพูนจึงแสดงว่า เมื่อเราทำกรรมจักรวาลนี่แคบนะักภาวะกับพรมเนี่ยต่ำนะักกรรมอันเราพอกพูนไว้อย่างนี้โอ้มันจะไม่จะน้อยได้ยังไงเนาะสังสมมาตั้งสี่อาศงไขยเศษอีกแสนกลับอะ่ะเพราะความไพ่บู์คือไม่มีประมาณเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงว่ากรรมที่เราทำเนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคําว่าด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเนี่ย เป็นคําพิสดารของบทว่าทรงมีพระบาทเหยียบเสมอกันบนพื้นคือบทว่าทุกส่วนก็คือทุกแห่งอธิบายว่าพระมหาบุรุษนั้นไม่ทรงจดครั้งแรกโดยส่วนหนึ่งไม่ทรงจดภายหลังโดยส่วนหนึ่งทรงจดพื้นด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกันยกขึ้นก็เสมอกันก็แม้หากว่าพระตถาคตจะทรงย่างยกพระบาทด้วยพระดําริว่า เราจะเหยียบเหวจะเหยียบลงไปในเหวเนี่ยหลายร้อยชั่วคนมันลึกๆเป็นร้อยๆ้อยเมตรทนใดนั้นเองที่ลุ่มก็จะสูงขึ้นเป็นที่เสมอกันกับแผ่นดินเหมือนเบ้าทองเต็มไปด้วยลมฉะนั้นแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมารองรับเท้าพอดีเลยถ้ตาตถาคตจะเข้าไปสู่แม้ที่สูงในภายในสมมติว่าจะเดินขึ้นยอดเขาอย่างเงี้ยนะ เมื่อยกพระบาทขึ้นด้วยทรงผ้าดำเรว่าเราจักเหยียบในที่ไกลภูเขาแม้ประมาณเท่าภูเขาสินเนรุก็น้อมลงมาใกล้พระบาทเหมือนยอดหวายที่ถูกลนไฟฉะนั้นเ็เห็นยอดหวายไหมยอดหวายก็คือถ้าเขามาลนไฟปุ๊บจะอ่อนนิ่มหมดเลยคล้ายๆว่าถ้าไม่ลนนะโคงงน่มันก็หักละแต่ถ้าลนไฟป๊บเนี่ยจะน้อมหมุนสักสามสีรอบก็ไม่เป็นไร เป็นความจริงอย่างนั้นเมื่อพระตถ า, าคตเนี่ยทรงยกพระบาทด้วยทรงพระดําริว่าเราจัดทำปาฏิหาริย์เหยียบภูเขายุคหันทอนภูเขานั้นก็จะน้อมลงมาใกล้พระบาทคือเดินเป็นปกตินั่นแหละแต่ว่าเหยียบภูเขาพอดีเลยพระองค์ก็เหยียบภูเขานั้นแล้วเหยียบถึงดาวดึงด้วยพระบาทที่สองสมัยที่พระองค์ไปทรงแสดงพระพิธรรมอ่ะที่ซึ่งจักรลักษณะอันควรประดิษฐานไม่อาจจะเป็นที่ไม่เรียบ ไม่ว่าจะเป็นตอหนากรวดกระเบื้องอุจจาระปัสวะน้าลายน้ำมูกเป็นต้นหรือของที่มีแต่ก่อนหลีกไปหมดหรือหายเข้าไปยังแผ่นดินในที่นั้นๆทั้งหมดก็บอกว่ามาหาปัาพีนี้เสมอดารดาษไปด้วยดอกไม้นะเหมือนกับดอกไม้แรกเย้มย่อมมีขึ้นด้วยเดชแห่งศีลคือเดชของศีลที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยบุญยเดชด้วยธรรมเดช และก็ด้วยอนุภาพแห่งทศบารมีของพระตถาคตนะถ้าใครอยากเดินให้พื้นมันแต่งให้เรียบขนาดนั้นนะเสียสงไข่แสนกลับรอหน่อยว่าอยากจะเดินที่ให้มันเรียบเสมอเลยยกฝาพระบาทเนี่ยให้มันเสมอเท่ากันหมดเลยนะเอาไหมแต่บัดนี้ถ้าคิดอย่างนั้นไอ้รีบรู้อริยสัจดีกว่านะตอนต้นๆบอกหูอริยสัจเนี่สูงมากในยะพอพูดถึงเรื่องเป็นพระพุทธเจ้าปุบ๊บอริยสัจดีกว่านะลดังมาหน่อยนะ ก็บอกว่าราคานี้นะห้าบาทโอ้แพงจังบอกอันนี้สามพันแ่ห้าบาทเนี่ยดีแล้วทีนี้ต่อไปนะว่าดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในการก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนได้นําความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมากเรียกว่าสแสวงหาความสุขให้คนทั่วไปบรรเทาความหวาดกลัวและความสะดุ้งคือเกิดเหตุการณ์ร้ายทําให้คนหวาดกลัวหวาดสะดุ้งหวาดเสียวเนี่ย พระโพธิสัตว์ท่านก็จะป้องกันพวกเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดอย่างนี้ขึ้นเช่นหวาดสะดุ้งเพราะสัตว์ร้ายหวาดเสียวหวาดกลัวเพราะเพราะพวกพวกโจรพวกผู้ร้ายเป็นต้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็จะคอยป้องกันในเรื่องนี้เป็นอย่างดีจัด ก, การป้องกันรักษาคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเรียกว่ารักษาคนอย่างดีเลยและให้ไถยทานให้ทานพร้อมด้วยวัตถุอันเป็นบริวาร คือถ้าจะให้ทานก็ให้แบบมีบริวารว่างั้นเด็ดซึ่งตรงนี้ท่านอธิบายว่าอท่านได้ให้ทานพร้อมวัตถุบริวารก็คือให้วัตถุทานสิบอย่างมีข้าวและน้ําเป็นต้นอธิบายว่าคําว่าข้าวได้แก่ข้าวยาคูข้าวยาคูก็คือข้าวต้มเป็นต้นนะนะอธิบายว่าเมื่อจะให้ข้าวยาคูนั้นไม่ได้วางไว้ที่ประตูแล้วให้นะไม่ใช่ไปวางไว้เออโน่นอยู่โน่นแต่เอาก็แล้วกันไม่ทําอย่างนั้น ได้โปรโยด้วยข้าวตอกดอกไม้เอาไว้ในที่ฉาบทาด้วยของเขียวภายในนิเวศปูอาสนะผูกเพดานกระทำสการะด้วยของหอมและทูบเป็นต้นนิมนต์พิษุสงให้นั่งแล้วถวายข้าวยาคูอันหนึง่งเมื่อจะถวายข้าวยาคูก็ได้ถวายพร้อมกับกลับด้วยคล้ายกับว่าข้าวต้มไม่อย่างเดียวนะก็มีพวกกับข้าวต้มที่มีกับอยู่ด้วยเรียกอะไร เมื่อเสร็จการดื่มข้าวยาคูก็ได้ชำระเท้าเอาน้ามันทาถวายของเคี้ยวไ ล, ล่ๆอย่างมาก่างในที่สุดก็ได้ถวายโภชนะอันประนีมีสูปะและพยัญชนะหลายอย่างก็คือถวายข้าวและกับข้าวหลายชนิดเมื่อจะถวายเครื่องดื่มก็ได้ถวายเครื่องดื่มแปดอย่างมีอัมพาปานะเป็นต้นอัมพแปลว่ามะม่วงอ๋อ ย, ยมนี่เ ก, ก๋ปานะแปลว่าน้าดื่มก้า น้ำดื่มที่ทํามาจากมะม่วงครั้นถวายข้าวยาคูนั้นแล้วก็คือถวายข้าวถวายน้ําหลังจากถวายน้ําก็จะถวายผ้าถวายผ้าก็ไม่ได้ถวายผ้าล้วนๆเท่านั้นแต่ถวายผ้าอันเพียงพอมีชั้นเดียวและสองชั้นเป็นต้นอ่ะไม่ถวายผ้าอย่างเดียวได้ถวายเข็มบ้างได้บ้างกรอได้บ้างก็คือหลอดได้ ในที่ที่ทำการเย็บบ้างได้ถวายอาสนะข้าวยาคูน้ำมันทาเท้าน้ำมันทาหลังเครื่องย้อมใบไม้ต่างชนิดรางย้อมผ้าโดยที่สุดสีย้อมจีวรบ้างกัปปิยะการกบ้างอันพระโพธิสัตว์เวลาจะให้ทานเนี่ยจะมีบริวารให้คือเราลองฟังดูนะว่าเออพระโพธิสัตว์ท่านทำบุญยังไงของท่านเราก็จะได้ฟังเพื่อตรงไหนเราประยุกต์ทาได้เราก็ทาทาไม่ได้ก็เอาไว้ก่อน บทไหวายานคือรองเท้านะถ้าสมณพราหมณ์ก็คือให้รองเท้าแม้เมื่อถวายรองเท้านั้นก็ได้ถวายถุงใส่รองเท้าไม้แขวนรองเท้าน้ำมันทารองเท้าและทานวัตถุมีข้าวเป็นต้นดังกล่าวแล้วในหนุหลังคือจะจัดทําบุญถวายรองเท้าก็ไม่เอารองเท้าไปถวายโดดๆไม่ใช่อย่างนั้นก่อนมีงานเลี้ยงงานอะไรอย่างอื่นๆด้วยได้ทําให้เป็นบริวารของรองเท้านั่นแหละ ถวายรองเท้าจริงแต่บริวารของรองเท้ามีหลายอย่างจะถวายผ้าจริงแต่บริวารของผ้ามีอีกหลายชนิดจะถวายอาหารชุดนี้ปุ๊บก็มีบริวารอย่างอื่นอีกทำไมท่านคิดให้ได้เนะเดีย๋ยวเราก็ต้องฝึกฝึกสมาทานอามีโอกาสเราจะทําอย่างนี้บ้างแม้เมื่อถวายดอกไม้ก็ไม่ได้ถวายดอกไม้ล้วนๆเหมือนกันได้เคล้าดอกไม้นั้นด้วยของหอมแล้วก็ถวายสิ่งทั้งสี่อย่างเหล่านี้ในภายหลัง กระทำให้เป็นบริวารของดอกไม้นั้นคือถ้าหากว่าจะถวายดอกไม้ก็มีข้าวมีเครื่องดืม่มมีผ้ามีรองเท้าด้วยเป็นบริวารของดอกไม้แม้เมื่อจะถวายของหอมเพื่อบูชาต้นโพเจดี JD, อาสนะเจดี JD, อาสนะและคำภีเป็นต้นและเพื่อรมเรือนเจดีก็ไม่ได้ถวายของหอมล้วนทีเดียวก็ได้ถวายสิ่งห้าสิ่งเหล่านี้ในภายหลังพร้อมด้วยเครื่องบทเครื่องสนและภาชนะ สำหรับใช้ก็ถวายอย่างอื่นๆด้วยนั่นแหละเพื่อเป็นบริวารของของหอมแม้เมื่อจะถวายเครื่องรูปไล้ยมีหรดานมโนศิลาฉาดเป็นต้นก็ไม่ได้ถวายเครื่องรูปไลายล้วนๆทีเดียวได้ถวายสิ่งหกอย่างเหล่านี้ในภายหลังพร้อมกับภาชนะใส่เครื่องรูปไลาให้เป็นบริวารของเครื่องรูปไลานั้นก็คือถวายตั้งแต่ข้าวเรียกว่าถวายอันนี้จริงแต่ก็เอาอันอื่นมาเป็นบริวารอีกบทว่าที่นอนก็คือเตียงต่าง แม้เมื่อจะถวายเตียงและตังนั้นก็ไม่ได้ถวายเตียงและตังล้วนทีเดียวคำว่าถวายนี่แปลว่าให้นะไม่ไม่ได้แปลว่ายกประเคนนะแต่ถวายก็คือมันเป็นสํานวนที่ที่กล่าวกับพระเป็นต้นแต่ที่จริงก็คือการให้นั่นแหละให้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวว่าใครแต่ท่านยกตัวอย่างพระภิกษุขึ้นมาขณะเดียวกันก็คือคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันอ่าให้แม้ที่สุดกระดานและไม้ชําระพร้อมทั้งผ้าโกเชาผ้ากําพล เครื่องลาาและขาเตียงกระทำเจ็ดสิ่งในภายหลังให้เป็นบริวารของเตียงนั้นนะก็คือถวายเตียงก็จริงนั่นแหละแต่ก็เลี้ยงข้าวตัว้งแตข้าวเป็นต้นมาอีกแม้เมื่อจะให้ที่อยู่ก็ไม่ได้ให้เพียงเรือนเท่านั้นก็ให้กุฏิถวายกุฏิถวายศาลาอะไรเป็นต้นนี้ก็ได้กระทำเตียงและต่างที่ตกแต่งเป็นอย่างดีไม่ให้แต่อาคารให้เฟอร์นิเจอร์ด้วยบบนันประดับด้วยมาลากรรมและระดากรรม มาลาก็ดอกไม้ละดาไม่รู้อะไรละดาแปลว่าอะไรคะดอกไม้เขาบอกว่ามาลากรรมและละดากรรมแล้วถวายสิ่งแปดอย่างเหล่านี้ในภายหลังจะทําให้เป็นบริวารของที่อยู่นั้นบทว่าประทีปคือน้ํามันประทีปอธิบายว่าเมื่อจะถวายน้ํามันประทีปไม่ได้ถวายน้ํามันล้วนเท่านั้นด้วยคําว่าท่านทั้งหลาย จงยังประทิพให้สว่างด้วยน้ำมันนี้ณนะเนินเจดีเนินโพรงฟังธรรมเรือนอาศัยที่บอกคำภีแล้วก็ได้ถวาย9้าสิ่งเหล่านี้ในภายหลังพร้อมด้วยไส้ตะเกียงหม้อหม้อดินเล็กๆและภาชนะใส่น้ำมันเป็นต้นทําให้เป็นบริวารของน้ํามันประทิพย์นั่นเองคล้ายๆกันถวายหลอดไฟก็ถวายข้าไฟด้วยนะคล้ายๆอย่างเงี้ยนกะ็คือไม่ได้โดดๆ โ, โอ้โหนี้จะถวายอันนี้อาจจะสมมุตินะให้หนังสือเอา้ายกหนังสือให้ไม่ให้ดินสออะไรไม่ใช่อย่างนั้น ก็คือให้ในเรื่องนั้นนั้นก็ให้เป็นชุดชุดไปเขาเรียกว่าท่านเวลาจะให้ทานก็ให้พร้อมด้วยบริวารเอออั น, นิสงส์อย่างนี้จะได้ยังไงตถาคตนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์คือพระ อ, องค์เองนะพระ อ, องค์ทํากรรมแล้วกรรมอ น, นั้นก็ให้ผลแก่พระ อ, องค์เพราะกรรมนั้นอันตนสั่งสมพอกพูนภัยบุ์ไว้ตถาคตก็ครอบงำเทวดาทั้งหลายในเทวโลกด้วยฐานะสิบฐานะสิบก็คือเหตุสิบอย่างมี อายุวั น, นะสุขยศและอธิบดีรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะตายจากสวรรค์โอ้สวรรค์ก็ไม่เที่ยงนะครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแลว้วมาถึงความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปริศลลักษณะนี้คือผลของการทำบุญพร้อมทั้งบริวารแล ะ, ะและสวงหาความสุขให้มหาชนเนี่ยนะคือได้ฝ่าเท้าทั้งสองมีจักเกิดแผ่นฝ่าเท้ามีจักอะ แต่คล้ายก็มีล้อมีซี่กรรมพันหนึ่งมีกรงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงัวมีระหว่างอันกุศลกรรมแบ่งเป็นอันดีกรรมเนี่ยแบ่งให้ท่านเรียบร้อยหมดพระมหาบุรุษนั้นถึงพร้อมด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาก็จะได้รับผลพิเศษขึ้นมาอีกนิมิตอันนั้นทําให้ฝ่าเท้าเนี่ยมีจักใช่ไหมมีรอยจักอยู่ในนั้นเสร็จแล้วผลพิเศษอีก ถ้าเป็นพระราชาจะเป็นผู้มีบริวารมากคือมีบริวารเป็นพราหมณ์เป็นครหบดีเป็นชาวนิคมชาวชนบทหัวราชันมหาอ ม, มาตกองทหารนายประตูอ ม, มาตบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐีเป็นกุมารนนะัก็คือพวกบริวารแปลง่ายๆก็คือถ้าเป็นในหลวงก็ประชาชนเยอะแยะถามว่า ถ้ามหาบุรุษนั้นออกผนวชจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลอะไรมีผลอะไรพิเศษไหมนอกจากฝ่าเท้าที่ว่ากุศลที่ทําแล้วมีพร่องอย่างอื่นเป็นบริวารต่อว่าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลคือมีบริวารมากมีบริวารเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคและเป็นคนทัน โอ้เนาะเรายังมาสมัครเป็นบริวารท่านเลยท่านจะรับหรือเปล่าเนาะเราก็ยังมาสมัครเป็นเป็นลูกศิษย์ท่านเลยนะแต่เมื่อไหร่จะได้เป็นลูกศิษย์แท้กันไหมเนาะคือเป็นแท้นี่เป็นขนาดไหนเป็นสาวกแท้แท้ของท่านก็ต่อเมื่อเป็นพทัศนดาบันทัศกาลทาคามีเป็นพธาณาคามีตอนนี้โอ้เราได้เป็นห่างๆก็ยางดีนะสองพันกว่าปีก็ไม่ห่างเท่าไหร่เนาะก็ดีกว่ารอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ไม่รู้กี่แสนปีกันไหมเนาะองค์นี้ห่าง สมมตินะถ้าคิดถึงองค์ใหม่ป <smoking kill complete> ุ๊บโอ้แผ <cul Nerd> ่นดินหนาเป็นสิบสิบกิโลเมตรอ่ะภระีอาน์จึงจะมาตัดสรุยุคคนเมียยุคแปดหมืนปีสองพันกว่าปีก็ไม่ห่างนะทีแรกก็แม่หม่เรานี่บุญน้อยเหลือเกินเกิดข่างพระพุทธเจ้านะสองพันกว่าปีเนอะทำกรรมทำเวรอะไรมาไม่รู้น้อยอกน้อยใจจะรอองค์ใหม่อู้ยาวนานเออองค์นี้ก็ไม่นานนี่ยเพราะฉะนั้นท่านท่าโบราณอาจารย์ทั้งหลายก็ได้กล่าวคาถาประพันธ์ไว้ว่า พระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ น, นำความสุขมาให้แก่ชนเป็นอันมากบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดสสดุ้งขวนขวายในการคุ้มครองและป้องกันก็คือทำบุญประเภทนี้นะช่วยป้องกันยอมก็ฟังไว้ป้องกันใ <c oughs> ครงเรียกว่าให้ความปลอดภัยให้ความสบายใจแก่คนทั่วไปนะเรียกว่าไปช่วยสงเคราะห์เขาอะ เพราะกรรมนั้นพรา ม, มหาบุรุษจึงเหลืกไปสู่ไตรทิพสวยคความสุขและสมบัติเป็นที่เพลิดเพลินยินดีครั้นจุติจากทิพแลว้วเวียนมาโลกนี้ย่อมได้ลายจักทั้งหลายมีซี่กรรมพันหนึ่งมีกงมีดุมโดยรอบที่ฝ่าพระบาททั้งสองนะฝ่าเท้าเสมอด้วยนะยังมีรอยจักอยู่ด้วยอะ่ะในฝ่าเท้าพวกพราหมูทานายลักษณะมาประชุมกันแลว้วเห็นพระราชกุมารมีบุ ญ, ญลักษณะ เป็นร้อยๆก็คือพระโพธิสัตว์นี้ประกอบด้วยลักษณะประกอบด้วยบุญเป็นร้อยๆที่ท่านทามาเนี่ยไม่ใช่ทําบุญมาอันเดียวมาตกแต่งร่างกายอ น, นั้นนะเขาว่าบุญชาตินู่นมาแต่งเรื่องนี้บุญชาติน้นมาแต่งเรื่องนี้นะคล้ายๆกับถ้าประกอบรถคันหนึ่งก็โห อ, อะไหล่เนี่ยไม่รู้สั่งมากี่บริษัทไม่รู้นะเพื่อที่จะมาประกอบเป็นรถคันหนึ่งในร่างกายของเราเนี่ยนะไม่รู้ว่าบุญไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติมาแต่งเป็นของเราขนาดเนี่ย ที่ดูนะบอกว่าตานี่มาจากกรรมอย่างหนึ่งหูก็มาจากกรรมอย่างหนึ่งจมูกก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งลิ้นก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งกายนี้ก็มาจากกรรมอีกอย่างหนึ่งกายในส่วนเส้นผมก็มาอีกกรรมหนึ่งขนีกก็มาจากอีกกรรมหนึ่งผิวหนังก็มาจากอีกกรรมหนึ่งนะเบ้าตาก็มาจากอีกกรรมหนึ่งจมูกก็มาจากอีกกรรมหนึ่งฟันก็มาจากอีกกรรมหนึ่งนะเนื้อก็มาจากอีกกรรมหนึ่งโอ้มาหลายกรรมมากเลยถ้ากรรมในส่วนนั้นๆบกพร่องปั๊บเนี่ยมีปัญหาแล้ว ันเวลาทำกรรมเนี่ยก็ศึกษาให้ดีๆหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยทํากรรมที่บกพร่องเอาไว้และชาติหน้ามานั่งโอดครวนโอ้ยตัดรู้ทําไมมันอาภัพจริงเนาเกิดมาชาตินี้ไม่งามกับเข้าเลยเงี้ยเดี๋ยวเสียใจในภายหลังไม่ได้เนี่ยคต้องฝึกทํากุศลเอาไว้ดีๆถ้าหากว่าผู้ที่มีลักษณะด้วยบุญเป็นร้อยๆอย่างนี้พราหมณ์ทั้งหลายเห็นลักษณะปุ๊บทํานายว่าพระราชกุมารนี้จะมีบริวารย่ํำยีคือมีบริวารมีศัตรู ก็คือไม่มีใครย่ายีท่านได้อ่ะเพราะจักทั้งหลายมีกองโดยรอบอย่างนั้นมีฝา่ามือฝา่าเท้าเป็นลายจับอ่ะถ้าพระราชกุมานั้นไม่ทรงออกผนวดยังจักให้เป็นไปและปกครองแผ่นดินกษัตริย์ที่มียศมากติดตามแวดล้อมพระองค์ไปที่ไหนคนติดตามเป็นรนนุ่นนะนะก็คือพระพุทธเจ้านะเวลาพระองค์เสด็จไปไหนนะส่วนใหญ่พิษสุขห้าร้อยจะติดตามเป็นปกติ ถ้าช่วงหลังๆเนี่ยช่วงใกล้จะนิพพานเนี่ยเป็นเป็นล่ายพันก็บอกว่าวันที่พระองค์นิพพานเนี่ยมีภิกษุไปร่วมงานอยู่ประมาณเจ 0,000 เฉพาะพระภิกษุนะติดตามเพราะเพราะทั้งภิกษุในสมัยนั้นที่บวชเนี่ยพอข่าวว่าพระองค์จะนิพพานเนี่ยเริ่มติดตามแล้วพอข่าวว่าอีกไม่กี่เดือนวงจะนิพพานก็เริ่มติดตามติดตามติดตามแต่ถ้าเป็นปกติบางช่วงก็ติดตามเชาะหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยก็ติดตามมากแต่ไม่ต้องห่วงถามว่าโอ้โหแล้วจะพอฉันเหรือ ก็บอกว่าถ้าพูดแบบสมัยนี้สัมนวนสมัยนี้ก็คือสิบล้อเรียงจอดอาหารมาบรรทุกเรียงรอบเลยสมัยก่อนก็บอกเกวียนต่อเกวียนเนี่ยทูกเกวียนต่อเกวียนต่อเกวียนต่อเกวียนเป็นยดโยดอะ่ะมารอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงคิวเราถวายบ้างรอเมื่อไหร่จะถึงคิวถวะคิวบ้างน้ำผึ้งเนี่ยนะก็บอกว่ามันมีโรงเก็บน้ำผึ้งเนี่ยนะมากจัดอะ่ะมีโรงครัวมีอะไรก็บอก องตัดว่าไม่มีภิกษุสงฆ์หมู่ใดที่จะมีลาบเท่ายุคนะั้นก็คิดดูว่าอลาบในผู้ศาสนาไม่ใช่ของ น, น้อยๆนะก็ดูเฉพาะผู้ศาสนาเนี่ยกี่พันตีมาแล้วเฉพาะโบสถ์ในเมืองไทยเฉยๆเนี่ยเฉพาะโบสถ์เนี่ยกี่พันล้านมาแล้วโบสถ์บางหลังเนี่ยก็เป็นพันล้านแนละ้วใช่ไหมโบสถ์ที่วัดโสธรต อ, ตอนนี้ก็สร้างเป็นพันล้านแนะโบสถ์หลังเดียวอะ่ะแล้วโบสถ์ทั่วประเทศโบสถ์หลังละ ล, ะละ้านสองล้านแต่ดินเชียงใหม่เนี่ยนะพระเจดีหลวงนี่ก็หมู่หลายล้านนีนะ แต่และเจดี D, แต่และเจดีนั้นสมบัติของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นมีมากมายมหาศาลหาพระองค์ทรงบวชยินดีในเนคขมมะจะมีพระปรีชาเห็นแจ้งพวกเทวดามนุษย์อสูนเท้าส ก, กะดือพระอินนะ่ะนะยักษ์คนทันนาคนกและสัตว์สี่เท้าที่มียศมากจะแวดล้อมพระองค์ผู้ไม่มีใครยิ่ยงกว่าอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว แม่ทําบูนประเภทบริวารไว้เนี่ยนะเวลามาศึกษาธรรมะก็ชวนคนมาศึกษาบ้างกันนะก็มีบริวารจุติปฏิสนธินี่ไม่ใช่ของชานะจุติกับปฏิสนธินะกับพิพตายังยังชาไปกับพิพตาปับ๊บสมมติว่าจากจุติจิตไปปฏิสนธิจิตเนี่ยเร็วมากเลยนะก็คิดดูระเบิดตุ้มตายปุ๊บทันทีเลยอะ่ะไม่ได้สั่งเสียญาติเลยอะ่ะเร็วขนาด น, นั้นน่ะ แต่ทีนี้ว่าจะไปเกิดในภพไหนอ่ะคะนี้ตามสมควรแก่ ก, กรรมนั้นๆตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยมีเบื้องต้นอันบุคคลตามรู้ไม่ได้แล้วคือมันยาวไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าน้ําตาของเราเนี่ยน้ําตาเนี่ใครร้องให้เก็บทีเป็นเป็นขวดมั้งน้ําตาร้องทีทรัพย์ได้ทีละหน่อยทีละหน่อยอ่ะเก็บเก็บแล้วมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรอีกสังสารวัตเพราะฉะนั้นกรรมไม่ต้องห่วงว่ามันมากน้อยขนาดไหน ก็คิดดูว่าเห็นปั๊บโกรธทันทีเลยถ้าเราไม่ชอบอ่ะมันสะสมมานานขนาดไหนใช่ไหมเห็นป๊บไม่ชอบใจทันทีเลยอ่ะคิดดูเห็นปั๊บชอบทันทีเลยมันเป็นลักษณะนเนี่ยความสั่งสมมานี่มันมากมายแล้วเลพาะวันดนปัทนทะียมทรรมมนเปนลักษณะเนยควมส่สมมุตินขางทางใช่ไหบเห็นปั๊บไนมะ่ชอบใจนท่าจาก่ะวิญ ญ, ญาเห็นปั๊บชนะสันทีรณยมัธเป็นลักนี้เป็นชาติัิบสานและกิริยาชา่เห็นปั๊บชบทันทีทํากระคิหม่ปั ในเจดวงนะั้นยังไม่พอมันต่อด้วยมโนทวารวิถีมโนทวารวิถีเป็นชาวนะชวนะชวนะถ้าใครหัวดีๆหน่อยหรือว่าเป็นคนคิดมากนี้ชวนะเล่นปื๊ดพวกคิดมากนี่เห็นปื๊คิดเป็นกรรมทั้งหมดเลยนะั่นะนะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทีนี้ว่าในขณะหนึ่งนี่เราผลิตกรรมขนาดไหนอันโรงงานสร้างกรรมตั้งแต่เช้าจนเย็นนะ มากกว่าวิบากมากมายมหาศาลบางครั้งเนี่ยสมมติว่าเรานั่งใจลอยคิดบางเรื่องอยู่นะคิดเป็นสิบสิบนาทีเลยโดยที่ไ ม, ไม่ไม่มีวิญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นนะชาวนะเกือบรุนรุนเลยอะ่ะแล้วกรรมนั้นไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วไม่ใช่วันเดียวใช่ไหมมันกี่วันมาแล้วอะ่ะเฉพาะชาตินี้ก็นไม่รู้เอากรรำไปเก็บไว้ที่ไหนหมดถ้ามันจะให้ผลนะถ้ามันให้ผลเนี่ยไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วในอดีตชาติอดีตอดีตอดีตไปอีกอะ่ะ เพราะฉะนั้นกรรมบางอย่างเป็นทิฏฐธรรมกรรมบางอย่างเป็นอุปชาเวทนียกรรมกรรมบางอย่างเป็นอปราคาปริยะเวทนิยกรรมทีนี้ไอ้ทิฏฐธรรมนะถ้าชาตินี้มันไม่มีโอกาสให้ผลปุ๊บเป็นอโหสิเออดีไปแม่ถ้าบุญนะ้อไม่อยากให้อโหสิเลยนะตามมาให้หน่อยเถอะถ้าบาปนะอุย้ยสาธุอโหสิแลได้ก็ดีเออถ้าถ้าหากว่าอุปชาเวทนียกรรมใช่ไหมอุปชาก็คือให้ผลในชาติหน้า ถ้าเขาไม่มีโอกาสให้ผลในชาติหน้าสมมุติว่าชาติที่แล้วนะเราทํากรรมไว้ไอชวนะดวงที่เจดนะทั้งชีวิตเลยนะดวงที่เจ็ดทุกๆวิถีเลยถ้ามีโอกาสก็จะให้ผลแก่เราชาตินี้เท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสปุ๊บเป็นอโหสิสองถึงหกไม่เป็นอโหสิเว้นไว้แต่ว่านิพพานเ อ, อ่อถ้านิพพานนี่จึงจะเป็นอโหสิถ้าไม่นิพพานนะจะไม่มีอโหสิเลยตลอดแสนโกดกลับมันยังตามมาให้ผลนี่ เป็นแสนโกรธกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกรรมไหนที่ไม่เคยทําไว้บ้างหายากเวน้นเวน้นมัคจิตผ ล, ลจิต <c oughs> ที่เหลือทํามาเกือบหมดนะทํามาเกือบหมดเนี่ยนะไอ้ที่ดีสุดๆเนี่ยเราไม่เคยทำใช่ไหมกรรมประเภทมัคผลเนี่ยยังไม่เคยทําแต่ถ้ากรรมต่ำลงมากว่า น, นั้นประเภทโลกิยาจิตนะทั้งกุศลอกุศลนี่มันสั่งสมไว้หมดแหละทีนี้วิบากเหล่านั้นจะให้ผลหรือไม่อยู่ที่ประโยชค่าของเรา อยู่ที่ประโยชค่ส่วนหนึ่งนะจะให้กุศลให้ผลขนาดนี้เลยก็ได้ใช่ไหมจะให้ผลขนาดนี้เลยได้ไหมทําได้ไหมออไมาจะทําให้ดูอ่ะ อ, อันนี้ฉันน้ำแล้วหวานแล้วด้วย <c oughs> ชิวหาวิ ญ, ญญาณเกิดแล้วนะผลของ <c oughs> กุศลถ้าจะให้อกุศลให้ผลเลยทําได้ไหมเ <c oughs> นี่ยเคาะปกมันก็เจ็บแค่นั้นเอง <c oughs> ใช่ไหมแล้วแต่ประโยค่านะส่วนหนึ่งอ่ะเพราะเหตุมันบริบูรณ์แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะมันคล้ายๆกับคนที่ สะสมสมมุติว่าจะไปซื้อของจ่ายของในตลาดอย่างเงี้ใช่ไหมคือจะจ่ายอะไรก็ได้เพราะมันมีมีทุนพอที่จะจ่ายได้แล้วก็ซื้อของได้กรรมในอดีตของเราก็เหมือนกันะขนไว้เต็มกรรุษไม่รู้เท่าไหร่จิตหนึ่งดวงนะถ้ามันใหญ่เท่าเม็ดทรายนะไม่มีที่เก็บหลักกรรมของเราในอดีตอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดให้อะไรให้ผลก็ได้แล้วแต่ประโยคะส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งกรรมส่วนหนึ่งแล้วแต่ประโยชคะแต่ถ้ากรรมนั้นมันมีกําลังจริงๆนะ ถ้ากุศลมันมีผลแรงมากมันจะทําให้ประโยค้าสมบัติมันจะมาหนุนประโยค้าสมบัติคือให้คิดถูกช่องอ่ะให้มันเอ๊ะทำไมเรามันคิดอะไรก็ลื่นไปหมดเลยนะถูกเป๊ะเป๊ะเปเปไ ป, ไปหมดเขบอกถ้ากรรมมันมีกําลังจริงๆอ่ะมันจะสนับสนุนให้ชาวนะเนี่ยเป็นประโยคสมบัติให้กุศลให้ผลแต่ถ้าอกุศลมันมีกําลังจริงๆเนะียมันปิดหมดเกลี้ยงเลยเขาบอกว่าแรงเนี่ยมองไกลเป็นร้อยๆโยดได้อ่ะ ยังบินไปถูกบ่วงได้ยังไงก็ไม่รู้บินไปตกถูกบ่วงรับพอดีเลยอะ่ะถามว่าทําไมมันแม่นขนาดนั้นก็บอกถ้าอากุศลมันจะให้ผลมันทําให้ประโยค่าวิบัติปุ๊บมันจะปิดหมกเลยก็เหมือนกับคนธรรมดาเออก็นั่งอยู่ดีๆออกไปเดินให้รถชนตายแล้วก็นั่งอยู่กับเท่ดีๆแล้วใช่ไหมก็ออกไปให้รถชนตายเฉยๆอย่างนั้นนลยทำไมประโยชนค่าเาวิบัติขนาดนั้นั้นถ้าอากุศลมันมีกําลังจริงๆเนี่ยมันจะผลักดัน ผลักดันชวณะจิตคือเราต้องไม่ลืมใช่ไหมว่าอากุศลในอดีตเป็นปัจจัยแก่วิบากในปัจจุบันไม่ใช่นาน น, ขาขนักขาดแค่กรรมะอย่างเดียวใช่ไหมมีปัจจัยอีกตัวหนึ่งคือปกตูปะนิสยาปัจจัยเป็นปัจจัยให้คิดวิบากเช่นพระสมัยก่อนเนี่ยอดีตชาติท่านเป็นในพรานท่านเจริญกรรมฐานประเภทกายยขตาสติอาการสามสิบสองมากพอสมควรระดับหนึ่งแต่แล้ว พอท่านเจรนาการสามสองมากๆเข้านะความคิดท่านวิบัติขึ้นเลยอยากจะฆ่าตัวตายเสร็จ แ, แล้วท่านก็สแสวงหาสาตราเลยนะหาจ้างเออนี่แกช่วยฆ่าฉันทิงถ้าแกฆ่าฉันณนะบาดจีวรนฉันจะยกให้แกหมดเลยสมัยก่อนเขาเขาทำอย่างนั้นเลยนะพระหลายองค์เนี่ยจ้างให้คนคนหนึ่งเนี่ยฆ่าทิ้งในตะติยะป ร, ะราชิกว่าด้วยการฆ่ามนุษย์ะเพราะในในสิกขาบทนั้นก็กล่าวถึงว่าพระที่เจริญกรรมฐาน ถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมรู้พระองค์เนี่ยห้ามไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยอดีตกรรมมันมีกําลังมากทําให้ประโยคนความคิดนั้นน่ะเกิดคิดอยากฆ่าตัวตายแม้ท่านพระชนนะพระชนนะรูปหนึ่งนะพระชนะมีสองรูปพระชนนะรูปหนึ่งเป็นผู้ติดตามวันออกบวชกับพระผู้มีพระภาคพระฉันนะอีกรูปหนึ่งเป็นพระที่ป่วยไม่สบายอ่าพระชนนะนั้นก็เอามีดโกนมาปาดคอเลยเนี่ยพอปาดคอปั๊บ นิมิตมันปรากฏที่แรกท่านนึกว่าท่านบรรลุแล้วเข้าใจผิดนั่นนะนึกว่าบรรลุแล้วก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายพอมีดโกเนี่ยปาดคอปุ๊บนิมิตมันปรากฏพอคตินิมิตปรากฏปั๊บท่านสังเวชใจท่านยังไม่ได้บรรลุอะไรนี่ท่านก็เจริญนิพพาสนาตรงนั้นแล้วก็เป็นพระอารหันต์ปัจเจเวคณาญาณเกิดขึ้นจุติพอดีพอดีอดโหเสี่ยงที่สุดเลยนะอุดวิตที่สุดเลยอะ่ะ แต่ก็มีไม่กี่องค์นะที่ที่ฆ่าตัวตายนี่พระโคทิกะอีกองหนึ่งมีพระชนะอีกองคหนึ่งมีน้อยองค์มากที่ฆ่าตัวตายและประสบความสำเร็จส่วนยิ่งสมัยนี้โดดตึกตายนี่ก็ไม่รู้สำเร็จหรือเปล่าไม่แต่ตายเนี่ยสำเร็จสมความปรารถนานะได้ตายสมอยากนยะแต่ว่าตายแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยสุดแท้แต่เจตนามีผลนะถามว่ากรรมหรือเจตนาเหล่านี้อยู่ที่ไหน ต้องคิดนะว่าความรู้สึกนึกคิดในขณะนี้แหละเจตนาที่เป็นไปกับการเห็นการได้ยินทั่วๆไปเนี่ยนะเป็นเป็นตัวกรรมเป็นตัวกรรมนะถ้าเราไม่เห็นเรื่องของเจตนาเหล่านี้เป็นเป็นเหตุจริงๆนะว่าเหตุอันนี้เนี่ยมันก่อพบใหม่ไปเรื่อยนะเราจะไม่คิดเรียนรู้อริยศสัสเพื่อความพ้นทุกข์เลยแต่ถ้ายิ่งยิ่งเห็นโทษของกรรมวัฏนี้มากเข้าวิปากวัฏมากมาย อาศัยวิปากวัฏก็ทําให้เกิดกิเลววัดขึ้นจึงพิจารณาเรื่องนี้มากขึ้นการพิจารณาอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมไหมปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญปริญญาสามที่ที่เป็นในชั้นของวิปัสสนาก็คือพิจารณาปริญญาสามพิจารณาเรื่องกรรมมากๆเป็นปริญญาข้อไหนเป็นข้อไหนเป็นประเภทยาตัดปริญญาการเรียนรู้สภาพธรรมนั้นๆพร้อมทั้งปัจจัย นะคำว่าปัจจัยไงก็คือประเภทของยาตะปริญญาอันยาตะไม่ใช่แค่เหมือนกับเคยแตะเบรครถไหมแตะแป๊กกรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้กาหนดคําว่ากําหนดแบบแบบบาลีเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเยี่ยไปเฉยๆหรือไปแช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่แต่ท่านบอกว่าเป็นการวิจัยเลยวิจัยสิ่งนั้นๆพร้อมทั้งปัจจัยเช่นวิจัยจิตเห็นอันนี้พร้อมทั้งปัจจัยเช่นจิตเห็นของเราเนี่ยปัจจัยอะไรบ้าง จิตเห็นเนี่ยเป็นสภาพนามธรรมที่นะคือสภาพที่รู้อารมณ์จิตเห็นอันนี้เนี่ยปัจจัยของเขาคือตาถ้าไม่มีตาเสีอย่างจิตเห็นไม่เกิดเพราะฉะนั้นนะให้คนตาบอดเนี่ยมาเห็นไม่ได้ทําไม่ได้แล้วก็ต้องมีสีด้วยสีนั้นจะต้องรู้ว่าสีไหนถ้าธรรมะของธรรมามองเห็นโยมพวกกันปั๊บไฟดับเนี่ยหมดสิ้นเลยอันแสงสว่างก็ถือว่ามีความสําคัญกับจิตเห็นมาก แต่ถ้ากรรมในอดีตไม่มีนะที่เห็นก็ไม่มีนี่นี่ส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะชาวนะก่อนๆ น, น, นั้นอ่ะที่ที่เป็นปัจจัยให้เห็นเนี่ยสมมุติถ้าอยู่อย่างนี้นะเห็นโยมผู้การเห็นเห็นถ้าไม่มีประโยคฆ่าไม่เห็นถ้าไม่เหลียวไม่เห็นแน่นอนอันประโยคฆ่าจึงเป็นปัจจัยแก่การการเห็นนะแม้แต่จิตเห็นอย่างเดียวเนี่ยปุ๊บมันต้องวิจัยตั้งหลายๆเรื่องแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือกรรมะปัจจัย ถ้าเรารู้เรื่องกรรมมาปัจจัยเราจะมองเรื่องชีวิตได้มากขึ้นทีนี้แม้แต่ตาตัวตานี่ที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเห็นนะก็ยังมีกรรมเป็นปัจจัยอีกกรรมไหนที่เป็นปัจจัยแก่ตัวตานั่นอ่ะกรรมที่เป็นปัจจัยแก่ตัวตากรรมในชาตินี้มาเป็นอุปธรรมพกะกรรมแก่ตาในชาตินี้ได้ไหมได้ทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมที่ให้ผลมาเป็นอุปธรรมจากขุนี้ก็ได้กรรมในอดีตมาเป็นอุปปีและกรรมแก่ตาได้ไหม มาเบียดได้ไหมทําให้ตาเราหมดคุณภาพลงทีนี้ในเรื่องของกรรมนั้นน่ะชนกกรรมนี่เป็นตัวแต่งตาสร้างตาให้เกิดขึ้นแต่อุปปีและกะกรรมจะมาคอยเบียดเบียนแต่บางทีก็มีอุปธรรมัมภกกรรมมามาสนับสนุนแต่ทิ้งอาหารได้ไหมไม่ได้อาหารก็เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงมาคอยดูแลส่วนหนึ่งถ้าเรามีประโยชน์คอาสามารถที่จะ หาอาหารที่เหมาะสมกับเรื่องตาปั๊บกรรมอื่นๆจะให้ผลทันทีเลยแต่เราก็คิดดูเอ๊ะทำไมทุกคนได้อาหารเหมือนกันแต่ทำไมสายตาไม่ได้ดีเท่ากันเพราะอาหารนี่ก็ส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ทำให้ให้ตามีอยู่ทีนี้ไม่ใช่ตาอย่างเดียวใช่ไหมที่เป็นผลของกรรมวัตถุอื่นๆ อ, นอีกก็เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของปัจจัยนั้นเป็นเรื่องของการวินิจฉัยอย่างมากวินิจฉั ย, อ ย, อ, ยอย่างละเอียด ถ้าวินิจใช้อย่างละเอียดไม่ได้วิปัสนาชั้นสูงๆเนี่ยแทบแทบไม่ใช่ฐานะเลยเป็นของที่ยากมากในขณะที่เรากล่าวถึงบุคคลผู้ที่กำลังจุติปุ๊บเนี่ยนะในขณะที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ตายฉนั้นจุติจิตเนี่ยมันเกิดบ่อยเหลือเกินนะอันนี้สำหรับที่เป็นมนุษย์นะที่ตายหมู่เป็นพวกพวกให้เห็นเนี่ยมีบ่อยมาก ทีนี้ในขณะเดียวกันเราศึกษาพระธรรมคำสอนเราจะสงเคราะห์คำสอนว่าด้วยเรื่องกรรมลงไปตรงนั้นอย่างไรในชั้นต้นนั้นปัจจัยอะไรที่ทำให้อายุสัน้นเราก็มาดูก่อนในขณะ น, น, นั้นนั้นมีเด็กตายด้วยในเด็กที่ตายนั้นที่อายุสัน้นเหตุให้อายุสั้นก็คือผลของปาณาติบาตเศษกรรมนะอันนี้เศษเศษเฉยเฉยเพราะถ้าตัวตรงๆจรงิจรงๆให้ปฏิสนธิในอบาย เศษของกรรมนั้นจะทําให้อายุสัน้นทีนี้นี่คือกรรมกรรมเก่าผลของกรรมเก่าเพราะว่าร่างกายของเรานี้เป็นเป็นชีวิตเรูปใช่ไหมเราเราต้องไม่ลืมว่าในกายของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นกรรมชรูปส่วนหนึ่งเป็นจิตเชรูปส่วนหนึ่งเป็นอุตูชรูปส่วนหนึ่งเป็นอาหารชรูปถ้าหากว่าส่วนที่เป็นอุตูชรูปเช่นโรคภัยเล่นงานนะโรคภัยบางอย่างเป็น อุตุชลุบที่ที่เข้ามาอย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้ออะไรที่เข้าไปในร่างกายนี้ทําให้ร่างกายมีปัญหาไอเชื้ออันนั้นเป็นอุตุชลุบที่เข้าไปทําลายร่างกายถ้าหากว่าขาดอาหารร่างกายที่ขาดอาหารเพราะอาหารชรุบน้อยไปก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าร่างกายสุขภาพไม่ดีเพราะจิตตชลุบนี่จะอีกอย่างหนึ่งถ้าร่างกายที่มีปัญหาเพราะกรรมชรุปก็จะอีกอย่างหนึ่ง แต่ร่างกายที่ที่แตกทำลายถึงกับตายไปเลยนั้นกรรมที่ทำให้ตายอย่างนี้เรียกว่าอุปคาตกรรมอุปคาตกรรมหรืออุปเชษฐกกรรมกรรมที่มาตัดรอนมาเบียดเบียนกุศลที่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้แตกทำลายไปให้แตกดับไปที่นี้นี่นี่เป็นเป็นเหตุกรรมเก่าถ้ากรรมใหม่จะเป็นอย่างไร เราก็มาทบทวนว่าชีวิตทั้งชีวิตของบุคคลนั้นเนี่ย <c oughs> เขาจะไปเกิดพบใหม่ <c oughs> ก็ต้องดูว่าใกล้จะตายเขามีอะไรเป็นอารมณ์อ่าสมมุติถ้าเกิดระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยจิตครั้งสุดท้ายเราคิดถึงอะไรก่อนนะอ่าภาพที่เรานึกถึงนะถ้าเป็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นภาพปรากฏการณ์ในที่ผ่านมาในอดีตชีวิตของเราอันนั้นเป็นกรรมนิมิต ภาพทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตของเรานึกขึ้นได้นึกถึงภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนั่นเป็นกรรมนิมิตถ้านึกถึงสภาพจิตที่เราเคยคิดอะไรไวครั้งก่อนๆในอดีตอันนั้นเป็นกรรมมะอารมณ์ถ้าเห็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตของชีวิตที่เราที่เคยรู้จักผ่านมาก่อนนั่นเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ถ้าเป็นภาพในพบต่อไปเป็นคตินิมิตอารมณ์ ทีนี้ในนิมิตเหล่านั้นเนี่ยทำไมนิมิตเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นแรงกรรมอะไรที่ทำให้นิมิตตรงนั้นมาเกิดขึ้นเป็นเป็นทั้งสามอย่างนึกได้ทั้งสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเพรา ะ, ะนั้นก็ต้องมาดูว่าทั้งชีวิตของคนนั้นเนี่ยมีครุกรรมไหมก่อนนะครุกรรมนะถ้าคนชาวเมืองทั่วไปที่ได้ฌานคงหายากนะเพราะฉะนั้นฌานฝ่ายดีเนี่ยตัดออกไปทีนี้คุกรรมฝ่ายไม่ดีอะ ข้าพ่อค่าแม่มีไหมข่าพัฒอาหารก็คงยากหน่อยนะข้อนี้มีให้ค่ายากเหลือเกินนอันตรียกรรมข้อนี้ทำยากอยากกะทำก็ทำยากงั้นไม่รู้จะไปหาที่ไหนหาทำบุญก็ยังยากเลยนะอย่าว่าค่าท่านเลยอ่าทีนี้ถ้าหากว่ากรรมเหล่านี้เนี่ยที่เป็นอกุศลจะให้ผลเนี่ยครุกรรมมีไหมที่ค่าพ่อค่าแม่เป็นต้นถ้าไม่มีอาสันนกรรมใกล้ตายเนี่ย เขาสภาพจิตของเขาเป็นยังไงโดยทั่วไปก่อนอาสัญนกรรมของเขาเนี่ยขณะนั้นเขากําลังทํากิจกรรมอะไรอยู่ก่อนจะตายเนี่ยนะกิจกรรมที่เขากําลังทําอยู่นั้นก็บ่งถึงที่ไปของเขาด้วยอย่างหนึ่งถ้าขณะที่เขาใกล้ตายเนี่ยเกิดหลับอยู่เฉยๆอย่าเงี้ยไม่ได้ทำกา ร, รอะไรเลยก็ต้องดูว่าอาจินนกรรมชีวิตของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอะไรมากกว่าอะไร เขาฝังใจอยู่กับเรื่องอะไรซะส่วนใหญ่กรรมมันนั้นจะมาให้ผลส่วนหนึ่งถ้าหากว่ากรรมมันนั้นไม่ให้ผลกรรมในอดีตจะให้ผลกรรมในอดีตชาติให้ผลเป็นตัวมาให้ผลนาเกิดกรรมในอดีตชาติเรียกว่ากตัตตาวาปะนกรรมนะก็คืออปราประเบรยเวทนียกรรมที่อยู่ในอดีตนั่นแหละเป็นตัวมาให้ผลนำเกิดพบต่อไปทีนี้พูดถึงกรรมกรรมแล้ว ก, รรก็คือเจตนาที่เกิดร่วมกับกับอะไรเจตนาเกิดร่วมกับจิตจิตที่มีเจตนาเกิดร่วมด้วยที่เป็นกรรมนั้นต้องเป็นจิตที่เป็นไปกับกุศลและอกุศลนะที่ที่เป็นกรรมที่จะให้ผลทีนี้ในกรรมเหล่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าใครสะสมอะไรนั้นก็เป็นไปตามอำนาจของเจตนาเหล่านั้นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลผู้เขาอบรมเรื่องกรรมมา กรรมบางอย่างพ่อพูนได้นะเช่นกุศลกรรมถ้าพ่อพูนกุศลกรรมมามากก็สามารถที่จะมีตัวเลือกที่ที่ไปดีได้เว้นไว้แต่ซวยจริงๆเลยนะทําบุญทั้งชาติตายแล้วไปอบายอย่างเงี้ยหรือเขามีนะเศรษฐีบางคนเนี่ยทําบุญดีทั้งชาติตายแล้วก็เกิดเป็นยาจกอย่างเงี้ยมีมีในเรื่องอ่านารฏชาดกไอคนฆ่าวัวฆ่ามาทั้งชาติเนี่ยตายแล้วมาเกิดเป็นเสนาบดีเฉยอันนี้ก็มีบ้งแต่ว่าน้อยมาก แต่อันนี้เนี่ยจะเป็นวิสัยของพุทธญาณที่ที่จะรู้มหากรรมอันนี้เรียกว่ามหากรร ม, มะวิพังกสูตรคือถ้าดูแบบธรรมดาเอ๊ะคนนี้ทําชั่วทั้งชาติเลยทําไมไปดีคนนี้ทําดีทั้งชาติทําไมไปชั่วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องอปา ร, ราปริยะเวทนิยกรรมนะอปา ร, ราปริยะเวทนียกรรมแม้แต่แสนโกรธกับใน อ, อดีตก็ยังตามมาให้ผลถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่อง เครื่องกําหนดชัดว่าเราจะไปยังไงกันแน่เอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบนะก็บอกว่ามันก็เป็นไปตามกระแสแห่งกรรมเหล่านี้หลักเหล่านี้แหละเป็นตัววินิจฉัยเป็นตัววิเคราะห์ในขณะเดียวกันนั้นคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือคําสอนของพระผู้มีพระภาคจึงสอนให้เห็นโทษของกรรมว่ากรรมนั่นแหละเป็นตัวกรรมในขณะที่เกิดขึ้นเป็นเป็นทุกข์สัตว์กรรมเหล่านี้ถ้าดับไปจะอยู่ในฝากฝาก่ายแห่ง สมุทัยศักดิ์เป็นบริวารของตันหาเป็นบริขารของตันหาเป็นเหตุให้ไปสู่พบใหม่ต่อไปทีนี้พบที่จะไปต่อไปก็กรรมอีกนั่นแหละเพราะไปก่อปฏิสนธิในพบที่มีวิบากและกรรมชรูปต่อไปก็เป็นไปตามอย่างนี้น่ะมัตว์โลกพุทธพจน์ใช้คําว่าโลกเป็นไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจิตนะหรืออีกสำนวนหนึ่งเขาบอกกรรมมุนาวัตตีโลโกเพราะจิตกับเจ ต, จตสิตกเกิดร่วมกันนั่นแหละ มันก็เป็นไปตามอำนาจของความคิดเป็นไปตามอานาจของของจิตแม้แต่พระพุทธเจ้าเองที่พระองค์นี่มีรูปร่างกายก็มาด้วยอำนาจของจิตหรือด้วยอำนาจของกรรมเหมือนกันนะ